วันอาทิตย์ที่24กันยายนพศ2538เป็นการบรรยายพระสูตรเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t า a ท่านุู้ชมที่เคารพปัจจาย24นั้นเวลาทำงานเป็นวงรอบทำงานจริงๆเนี่ยจะมีอาการเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างที่ปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงนั่นแหละพระสูตรนี้เป็นสูตรที่ทรงแสดงธรรมะในขั้นลึกซึ้ง โดยเริ่มต้นว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาตาบินติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิสูทั้งหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลว่าส่วนธรรมที่เป็นปัใจจัยให้เกิดอันนี้แปลเอาความและปฏิจจสมุปปันนธรรมซึงแปลว่า ส่วนที่เกิดจากปัจจัยแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไนอันนี้ก็จะอธิบายส่วนที่เป็นปฏิจจาก่อนคือปัจจยาการหรือปฏิจจะแต่และองค์แต่และองค์เนี่ยมันมีฐานะเป็นสองฐานะ กี่ว่าสองส่วนเนี่ยครับฐานะที่หนึ่งคือฐานะของความเป็นเหตุอีกฐานะหนึ่งคือฐานะของความเป็นผลทำเดียวกันนั่นแหละเป็นสองฐานะและโลกียร์ทัทงหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับมันเหมือนกับตัวเราก็มีสองฐานะฐานะหนึ่งเป็นเหตุฐานะหนึ่งเป็นผลอะไรอะไรก็เหมือนกันอาวิชาฐานะหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดสังขาร ฐานะหนึ่งเป็นผลที่เกิดจากอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองดูดของมึนเมาที่สั่งสมไว้เป็นปกติก็ทำให้อวิชานั้นอยู่ในภาวะลุ่มหลงและแม้องอื่นๆนะองค์อื่นๆนะก็มีฐานะเป็นเหตุคือปฏิจจสมุปบาทดังที่ตลาในที่นี้และมีฐานะเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมอีกฐานะหนึ่งซึ่งก็หมายความว่า ในทางปฏิบัติเนี่ยผู้รู้จะต้องรูอ้องค์โดยเอกเทศด้วยองค์โดยเอกเทศหมายถึงอวิชชาและองค์โดยความเป็นเหตุเป็นผลว่ า, าวิชาเกิดจากอะไรอวิชาทำให้เกิดอะไรสักผู้มีาภาคจึงพูดเหมือนกับว่าตั้งหลักโดยย่อว่าปฏิจจะนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เหลือแก่สอง คือเหตุกับผลทุกองค์ไปเลยทุกองค์มีแต่เหตุกับผลเท่านั้นแล้วก็ผลฐานะรวบยอดเป็นทุกเหตุฐานะโดยรวบยอดเป็นสมูทยัยทุกกับเหตุให้เกิดทุกและในทางสายดับก็คื อ, อการดับทุกกับการดับเหตุแ่งทุก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่เป็นเหตุก่อนฐานะที่เป็นเหตุก็ตรัสว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมรณะนี่เอาเอาปฏิจจโองค์สุดท้ายมาแสดงก่อนเป็นเรื่องของอนุโลมเทศนาย้อนขึ้นไปหาอาวิชชาเป็นที่สุดแล้วก็ทรงตรัสว่า ตถาคตทั้งหลายคือหมายถึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นสเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่สเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือเราจะสังเกตว่าท่านใช้คาว่าธาตุจึงเป็นการกล่าวถึงความเป็นอนัตตานะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านตรัส เ, เวลา ชาวโลกเขาพูดถึงธาตุเขาจะหมายถึงพวกก้อนหินก้อนดินว่าเป็นธาตุคล้ายๆอย่างที่เราพูดเดี๋ยวนี้อะไรที่มีชีวิตเขาไม่เรียกว่าเป็นธาตุถือว่าเป็นอัดตรงอัตตาอะไรไปนะสัตว์มนุษย์นี่ไม่ใช่ธาตุเป็นถิ่งมีชีวิตนีเน่เป็นเรื่องคําพูดนอกาศาสนาพอมาถึงชั้นพระพุทธเจ้าเข้าท่านถือว่าความเป็นธาตุไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะก้อนหินก้อนดิน แม้แต่สัตว์และบุคคลก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นเดิมสำคัญว่าความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นก้อนหินก้อนดินเท่านั้นไม่พอพระพุทธเจ้าเพิ่มว่าสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงเหมือนอย่างก้อนหินก้อนดินถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่าไปสำคัญว่าธาตุของคน รุ่นก่อนจะเข้ามาถึงความเป็นอนัตตาคนทิงก็ดีก็ถือว่าไม่ใช่เป็นตนเท่านั้นแต่เป็นของตนนะะคื อ, อยังเอาอัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่มาถึงพระพุทธเจ้าเข้าทุกอย่างไม่ใช่ตนทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตและไม่ใช่ของตนด้วยทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิต จึงตรัสเรียกเป็นภาษาปรามัตดในที่นี้ว่าธาตุเป็นบวหันอนัตตาอนัตวตวาธาปรมัตตวาธะเรียกว่าธาตุเพราะโดยปรมัตดนั่นเป็นอนัตตาและเมื่อกล่าวว่าเป็นอนัตตาก็คือพูดถึงขั้นปรมัดเป็นอนัตตาจึงเป็นอันเดียวกันตรงนี้นั้นจึงตรัสว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดนี่อันนี้เป็นการบอกว่าตะกุธเจ้ามิใช่เป็นผู้ สร้างธรรมหรือสร้างเงื่อนไขของสภาวธรรมไม่ว่าจะอะไรทางนามตัวพุทธเจ้ามิใช่เป็นผู้สร้างเป็นคําพูดที่เรียกว่าทนต่อการพิสูจน์แล้วก็ถือว่าทันสมัยอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาก็ถ้าไปบอกว่าของท่านเข้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าพูดว่าอัตตาไม่มีของตนไม่มีแล้วทําไมถึงไปพูดว่าธรรมะเป็นของของตออย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ ดูแล้วก็ขัดแย้งกันจึงไม่ใช่เป็นผู้สร้างแต่เป็นผู้รู้นี่กล่าวว่าเป็นผู้รู้และเป็นผู้สอนความรู้นั้นนะสารนในพระสูตรนี้ก็กล่าวอย่างนี้ด้วยเป็นไม่ใช่เป็นผู้สร้างเป็นผู้รู้และผู้สอนความรู้นั้นและความรู้ที่สอนคือเรื่องปฏิจจะเนี่ยมีปัญหาที่ต้องทิ้งค้างนิดนึงว่าที่ว่าเอ า, เอาชาติเป็นปัจจัยแก่ชารามรณะ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในขณะ น, นี้หมายถึงชาติที่เป็นปัจจัยแก่โมจาแระมรณะหรือปฏิจจะที่กล่าวถึงขณะนี้ยเป็นปฏิจจะของใครของใครที่พูดโดยภาษาสมุติแล้วของพระพุทธเจ้าว่าทรงมีปฏิจจะอยู่ขณะ น, นี้หรือของสัตว์อื่นที่ยังไม่ใช่พระอรหนันยังมีปฏิจจะอยู่ถามว่าเรามีปฏิจจาะไหม ชีวิตเรายังเป็นปฏิจจะอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีที่แสดงเนี่ยทรงพ้นจากความเป็นปฏิจจะและชีวิตของท่านนะพ้นจากความเป็นลูกโซ่ของทุกหรือบ่วงทุกนะพูง่ายบ่วงทุกสันพลแล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าพ้นแล้วพระพุทธเจ้าแก่หรือเปล่ากําลังเทศนะ์แก่ไหมแก่และจะต้องมรณะไหม จะต้องมาแล้วนะถ้าอย่างนั้นทำไมจึงกล่าวว่าพลก็ยังยืนยันว่าพลแต่การพ้นทุกเนี่ยมันมีเป็นของระยะเหมือนกับคนพลโรคอันนี้ไปไปเข้ากับใครก็ก็จะเข้าใจชัดแหละนคนเมื่อคนเป็นโครคภคยแค่เจ็บสักอย่างต้องไปผ่าเมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยโรคหายเอามาเล็งออกเอานึ ง, งออก หรอแก้ไขสายกล้อ ง, งได้โรคหายจริงๆร้อยเปอร์เซ็นโรคนั้นนะแต่ถามว่าโรคหายเนี่ยเวลาไปเปิดพุงให้เขาดูบอกให้หายได้ยังไงยังมีรอยแผลเป็นเนี่ยเขาบอกว่าหายแล้วไอคนทวงบอกเอ๊ะหายแล้วทาไมมีแผลเป็นสองคนนี่ใครผิดใครถูกไอที่เขาบอกว่าโรคหายถูกของเขาไหมถูกของเขา โรคหายจริงๆแต่แผลเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งหลงเหลือของโรคหรือของการรักษาโรคใช่ไหมต้นแขนเราก็มีไอรอยฝีอะไรอะไรติก็อยู่ทุกคนใช่ไหมล่ ะ, ะหรือเราเคยป่าปอปยผ่าซอมทรงซอมศินหรือบางทีเป็นโรคอะไรมันมีไอสิ่งหลงเหลือเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านยังมีรอยแผลเป็นอะไรเป็นรอยแผลเป็นก็คือ ขันที่เป็นวิบากปรากฏอยู่ขณะที่ยังไม่ปรานิพานเมื่อปรานิพานแปลว่าแผลเป็นก็หายด้วยคนผ่าตัดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่านานไปนานไปแผลเป็นจะหายหรือต้องไปรักษาแผลเป็นกันอีกที <c oughs> ด้วยคานองเทียบเหมือนทีแรกปฏิจจคขาดอย่างสาอุปาทิเศษะแล้วก็มีอนุปาทิเศษะไม่ที ที่หลังก็เป็นนั่นว่าแผลเป็นก็ไม่มีหมดสิ้นกันเลยเพราะว่าไอ้ชาชราที่ท่านมีเนี่ยเป็นผลมาจากตรรมเก่าใช่ไหมกรรมเล็กๆเก่ามันยังตกทอดหลงเหลืออยู่ก็จึงยังปรากฏอยู่แต่เมื่อทรงตรัสมุ่งหมายเอาโรคเป็นสําคัญในขณะนั้นก็ตรัสว่าพ้นแล้วเพราะทําลายวัฏจักรของมันได้ ก็เลยเมื่อทรงตรัสถึงปฏิจจะพูดง่ายพระหลหนแสดงปฏิจจะสอนปุถุชนเนี่ยสภาวะธรรมนั้นพระอรหันต์ไม่มีแต่ของมีอยู่ในตัวผู้ฟังเช่นท่านสอนว่าความโกรธไม่ดีนโยมพระไม่มีความโกรธแล้วแต่โยมยังมีความโกรธสอนเพื่อให้โยมละความโกรธ แล้ถ้าบังเอิญโยงก็ไม่โกรธเท่ากับพระแล้วพระจะไปสอนทําไมใช่ไหมไปสอนมาโยมความโกรธไม่ดีไปสอนทําไมมันไม่จําเป็นที่จะไปสอนแต่จะสอนกันให้ละนะแต่สอนเพื่ออย่างอื่นก็เป็นเรื่องเพื่ออย่างอื่นคือเพื่อศรัทธาเพื่ออะไรเหตุผลในด้านดีด้านอื่นมาพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงตรัสเป็นวัยพธหลายอย่างเลยทีเดียวว่าปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี่ย หรือที่เรียกว่าธาตุอันนั้นก่อนแล้วก็ส่งขยายความว่าทรมาธีติตาทำมาิีติตารูปบาลีบางทีเราก็เรียกสันส้นๆว่าทรมาธีทำมาธีติไปเลยหรือทำมาิีติอันเดียวกันครับแต่ว่าบาลีเต็มๆคือทำมาธีติตาแปลว่าความเป็นที่ตั้งอยู่แห่งธรรมคือที่เราได้ยินกันทั่วไปไ ด, ได้ยินว่าความตั้งอยู่แห่งธรรมอ่า เป็นคำพูดที่ความหมายไม่ตรงจุดที่ท่านต้องการนะพอเรามาเรียนเป็นอย่างหลักการจริงจางเนี่ยก็ต้องบอกว่าถีติเป็นชื่อของเหตุทำเป็นชื่อของผลตานะ่ยแปลว่าความอย่างที่รู้อยู่แล้วนั้นทำมาถีติจึงแปลว่าเหตุอันเป็นที่ตั้งของผลหรือเหตุที่ทำให้เกิดผลนั่นแหละครับเหตุเป็นที่ตั้งขึ้นของผลอ่าคำว่านนิผมเทียบให้ฟังนะเพราะว่า ถึงแม้ว่าทำจะหมายถึงผลถี่ติจะหมายถึงเหตุแต่คําว่าทา ม, มาถีตีสองคนี้เป็นชื่อของเหตุผมเทียบให้ฟังเหมือนภาษาไทยเราที่เราพูดว่าพ่อของลูกถามว่าคําว่าพ่อของลูกเนี่ยถ้าแยกพูดว่าพ่อคือใครเราก็รู้ลูกคือใครเราก็รู้ แต่ถามว่าคำว่าพ่อของลูกเนี่ยเป็นชื่อของลูกหรือเป็นชื่อของพอ่อเป็นคำเรียกลูกก็เรียกพอ่อเป็นคำเรียกพอ่อไม่ใช่คำเรียกลูกและไม่ใช่คำเรียกทั้งลูกทั้งพ่อแต่เรียกพ่อด้วยอำนาจของความเป็นเหตุให้เกิดลูกจึงเรียกว่าพ่อของลูกฉันใดก็ฉันนั้นทำมาถีติเหตุอันเป็นที่ตั้งขึ้นของธรรมเนี่ยเป็นชื่อของเหตุที่พ่วง ผลเข้ามาอยู่ในชื่อของเหตุนั้นด้วยและคําว่าธรรมนิยามมาตานิยามนะั้นแปลว่าความกําหนดแน่คําว่านิยามแปลว่าเหตุอีกนะครับเป็นชื่อของเหตุและธรรมก็เป็นชื่อของผลคําว่าธรรมนิยามมาเราพูดอย่างแค่สัน้นๆแค่นี้พอจึง แปลว่าความเป็นที่กําหนดแน่แห่งธรรมคำว่าแน่เนี่ยมันไม่แปลว่าไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปนะคือหมายถึงความเป็นไปของธรรมแน่อย่างไรแน่อย่างไม่เตี้ยงแน่อย่างไปทางไหนั่นก็คืออย่างนั้นเช่นว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาแน่ผัสสะกําหนดความมีของเวทนาขึ้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นภาษานั้นจึงชื่อว่าธรรมนิยามกล่าวอย่างในฐานะเป็นเหตุเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาชาติเป็นเหตุให้เกิดชารามรณะนั่นก็เป็นความกำหนดแน่ถามว่าใครกำหนดใครชาติกระลามรณะใครกาหนดไครเราก็ตอบว่าชาติเป็นผู้กำหนดชาราวมรณะกำหนดคืออะไรคือทำให้เกิด กำนดนั่นคือทำให้เกิดเอาความว่าเหตุทําให้ผลเกิดอย่างนี้อีกคําหนึ่งคืออิทัปปัจเจตาพอพูดถึงคํานี้ทีไรใจเราไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วไปไหนไปทางภาคเหนือหรือภาคใต้ไปภาคใต้ไปหานึกถึงคนตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่มรณะภาพแล้วทีท่านพูด ปลุกรมนี้จนดังเลยนะก็เรียกว่าอีทับปัจ ย, ยตาท่านก็เอามาจากบาลีแหละครับาจากพระเจดียดลบนี่แหละอีทัทงแปลว่านี้ปัจจยะก็คือเหตุได้ปอปลาที่เขาเติมเข้ามานะถือว่าซ้อนปอปลาเข้ามาตัวก็เลยเป็นอีทับปัจจยตาคืออีทังปัจจยะตานั่นเองเรียกสันส้นๆว่าอีทัอีทับปัจจัยก็ได้ เป็นอันเดียวกันล้วครับท่านบอกอิทธิปัจจัยคืออิทธิปัจจยตาแปลว่าความเป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ความเป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้หมายถึงอ่าหรือความเป็นปัจจัยแก่ธรรมเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเหตุกับผลอีกเช่นเดียวกันแหล ะ, ะ, ะเมื่อทรงตรัสเป็นบวหารเรียงคําที่กล่าวด้วยอํานาจของความเป็นเหตุให้เกิดผลแล้วอย่างนั้น ก็ได้ตรัสต่อไปว่ า, เ, าเหตุผลความเป็นเหตุแห่งผลเนี่ยฐานะของความเป็นเหตุแห่งผลในปฏิจจาระองค์เนี่ยนะครับยังก็ยังดำรงอยู่พระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดยังดำรงอยู่พระตถาคตตัสศลุย่อมตสัสศลุถึงทั่วถึงซึ่งาธาตุอันนั้นเนี่ยจากนั้นจึงไปสอนนะนะ ก็ตรงนี้น่ะถ้าจะถามว่าที่ว่าดํารงอยู่เนี่ยดํารงอยู่ที่ไหนดํารงอยู่ที่ไหนปฏิจจ์ดํารงอยู่ที่ไหนอยู่ในคมภีที่ชื่อปฏิจจสมุปาทใช่ไหมเอเนื้อห์ติจจ์ก็ดํารงอยู่ที่เราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนดอกไม้เป็นปฏิจจา์ไหมไม่เป็นนะฮะดอกไม้ไม่เป็นวงจร ถามว่าดอกไม้มีอวิชชาไหมมีสังขารไหมมีวิญญาณไหมไม่มีดอกไม้เพราะฉะนั้นปฏิจจจริงๆแล้วคือกระแสเหตุผลแห่งชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตคนหนึ่งหนึ่งก็เป็นปฏิจจวนะ์วงหนึ่งหนึ่งนะวงหนึ่งหนึ่งมันมีวงเล็กซ้อนอยู่ในวงใหญ่นั่นอีกเรื่องนะ ปัติจจาอยู่ในคนเพราะนั้นก็เท่ากับ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเกิดและไม่เกิดมันก็มีสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมฮะสัตว์นี่โดยสภาวะประมัติตมันเป็นวงกระบวนการของเหตุปัดใจแต่เนื่องจากว่าความมีชีวิตในทัศนะศาสนาพุทธขั้นสูงถือว่าเป็นเรื่องทุกข์ในสังสารวัฏก็คือวงจรเหตุผลของทุกข์นั่นเอง ตอนนี้ท่านก็มาตัสลูในเรื่องอ่าวงจรเหล่านี้ก็ถ้าเราอ่านถึงตรงนี้อย่างอธิบายถึงอย่างนี้แล้วก็อ่าถ้าคนไม่เลื่อนสายก็กอาจจะนึดว่าไม่เห็นจะมีไม่เห็นจะมีความสำคัญอะไรนักหนานะแต่อย่างเราน呐ะเราคงไม่คิดอย่างนั้นกันแล้วได้ตรัสต่อไปว่าเมื่อได้ทรงตัศรูทั่วถึงธาตุนั้น อ่าตรงนี้ก็ต้องพูดหน่อยว่าที่ท่านตรัสรู้เนี่ยก็หมายคก็ว่าท่านตรัสรู้ปฏิจจาของใครของคนอื่นหรือของตัวท่านเอาเอาเป็นการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์นะหมายนาในการตรัสรู้ปฏิจจารสมบูรณ์นะัคือต้องรู้โดยความเป็นทุกข์แล้วก็ละสมุทัยที่เข้าไปผูกพันกระทุบนั้นว่าเป็นของดีด้วยรู้ในเชิงอริยสัจแล้วก็จเจริญมรรคให้เกิดขึ้นกับความรู้นั้นด้วย แจ้งนิพพานเพราะกำหนดรู้ทุกนั้นอย่างทะลุถึงที่แล้วพระพุทธเจ้ตาตัสรู้ปฏิจจของใครเป็นสำคัญของพระองค์ท่านเราปฏิบัติกรรมฐานโดยในปฏิจจะหรือมแม้ไม่โดยในปฏิจจะโดยปริยายเนี่ยก็คือตัสรู้ปฏิจจะที่เป็นเนื้อเป็นตัวเรานั่นเอง อ่ะทีนี้ก็เราก็สงสัยต่อยนิดหนึ่งว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงบรรลุปฏิจจะในส่วนที่เป็นตัวของท่านแล้วถามว่าท่านรู้ปฏิจจะของเราไหมท่านก็รู้แต่รู้อย่างชนิดที่เรียกว่ามันมันไม่ได้อยู่ครบวงจรของอริยสัจเพราะอะไรเพราะคนทำวิปัสสนารู้แจ้นานรู้รู้ตัวเองก็รู้กว่าอื่น คนอื่นว่าเป็นยังไงยังไงแต่การรู้คนอื่นนี่จะไปลากิเลที่คนอื่นได้ไหมเพราะว่าความรู้เป็นของท่านท่านรู้เออเราอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นก็สอนให้คนอื่นรู้อย่างครบสมบูรณ์อย่างที่ท่านรู้กับตัวท่านเองตอนเราอย่างนี้บอกเราอย่างนี้อาทีนี้คนเราเนี่ยเราบอกว่าไม่เหมือนกัน ถามว่าคนเรานี่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันในแง่ปฏิจจะแล้วถือว่าเหมือนกันในแง่อริยสัจสี่แล้วถือว่าเหมือนกันในแง่ข้างนอกทางนองมันไม่เหมือนกันนะแต่ในแง่กระ บ, บวนการตรงนี้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นบทบาทของการละทุกสิ่งทุกอย่างในทางหลักร่วมเนี่ยจึงเป็นไปในอันเดียวกันไม่แปลกไม่ผิดจากกัน เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็มาสอนอย่างนี้เราก็เลยได้พบสำวัยพจน์ของคำว่าเทสนาเป็นหลายวยพจน์ครับหลายคำพูดผมได้เอาภาษาบาลีมาใส่ให้เห็นด้วยแล้วก็เป็นบาลีค่อนข้างจะเต็มรูปไปหน่อยอะฟังแล้วมันรุม่มร่มในความรู้สึกของคนไทยก็ตราดว่าคลั้นแล้วย่อม ตรัสบอกหรือย่อมบอกอาจิคติสแสดงเทเสติบัญญัติปัญญาเปติแต่งตั้งปัทเปติเปิดเผยวิวารติจำแนกวิพัชติกระทําให้ตื่นอุตตานีกรโติและตรัสว่าท่านทั้งหลายจง ดูดังนี้เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชลาและมรณะในบทที่ทรงตรย่อมบอกเนี่ยหลายๆคำเนี่ยนะมันมีอยู่สองส่วนนะส่วนเนส่วนเกือบจะทั้งหมดตั้งแต่คำที่หนึ่งมาจนถึงคำลองุดทตายเป็นปริยัติคำสุดท้ายเป็นปฏิบัติ ที่คำว่าดูดูเนี่ยไม่แปลว่าไปดูก็ดูพระดตรปิกเล่มนั้นไปดูกระไตไปิดกเล่มนี้จงดูหมายถึงอะไรดูด้วยอะไรดูด้วยปฏิบัติภาวนาญาณเพราะนั้นที่บอกพ่ะท่านทั้งหลายจงดูจึงหมายถึงให้ปฏิบัติให้เห็นมันไม่ใช่ใครจะมาหยิบให้ดูได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนข้าวของจงดูคือจงลงมือปฏิบัติแลวดูให้เห็น เหมือนอย่างที่ในธรรมคุณบอกว่าอะไรล่ะที่บอกว่าเรียกให้ผู้อื่นมาดูได้จำได้ไหมบทสวดธรรมคุณน่ะกวนน้อง ก, ก็มาตรวตนแล้วก็เรียกให้ผู้อื่นมาดูได้ฟังบทสวดนัง่ายเหลือเกินเนีเดี๋ยวเกิดจะมีพวกนักศาสนศึกษานัก ต้องเที่ยวอยากเรียกให้ดูได้มักสีผลสีนพิพานหนึ่งก็จะค่าตัวเท่าไหร่หรอค่าตัวเท่าไหร่อย่าไปดูนะมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านหมายถึงปฏิบัติท้าทายปฏิบัติแล้วก็สามารถใจเห็นได้อย่างนี้ไม่ใช่ใครจะมาเอาแบะให้ดูกระดินได้คําต้นนอกนั้นเป็นคําที่แสดงปริยัติเพราะฉะนั้นคําว่าย่อมบอกเนี่ย ก็ผมก็พูดลดของไส้คําคนิดหนึ่งคือบอกให้ได้ให้ฟังให้ได้ยินด้วยอำนาจโสตตนี่เป็นเป็นคำพาพพจน์นะแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยก็คือหมายถึงการเทศให้ฟังนั่นแหละแต่คำว่าบอกหรืออาจิกติเนี่ยคือทำให้ได้ยินทางหูคือให้ฟังให้ได้ยินทางหูและแสดงเนี่ย จริงๆแล้วเทเสเทศาเนี่ยมันหมายถึงให้ดูด้วยตาให้ดูหรือให้เห็นด้วยอำนาจต่างๆอันนี้ต้องไม่ลืมว่าเป็นคำภาพพจน์เท่านั้นทั้งหมดนี้คือการพูดให้ฟังทั้งสิ้นแต่เวลาพูดในท่านพูดเชิงเทียบเคียงมันเทศนานเนี่ยจริงๆเริ่มแปลว่าทำให้เห็น แต่เห็นสันหมายถึงทำห้เห็นด้วยหูให้ฟังด้วยหูแล้วก็ปัญญาเปติที่แปลสั้นๆว่าแต่งตั้ง บ, บัญญาเปติที่แปลว่าแต่งตั้งเนี่ยนะหมายถึงการตั้งชื่อธรรมหนึ่งการจัดระเบียบธรรมหนึ่งเหมือนอย่างการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบร้อยาเรียกว่าปัญญิปัญญะเปติเหมือนกัน เป็นการแต่งตั้งวัตถุก็จัดระเบียบวัตถุโลพุธติจาก็ทรงตั้งชื่อธรรมแล้วก็ตั้งระเบียบเรียบร้อยของธรรมเพื่อสะดวกแก่การรับของตักและคำว่าเปิดเผยคือวิวรติเนี่ย ต, ตรงนี้นะเราค่อนข้างจะได้ยินคำสะดุดีธรรมเทศนาจนคุ้นหูคุ้นตามานันจนเบื่อแล้วครับคือ เปิดเผยอย่างที่กล่าวว่าธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแจ่มแจ้งนักเหมือนบุคคลผู้หงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบังหรือตามประทีปในที่มืดโดยความหวังว่าผู้มีจักสุพึงเห็นบ้างบอกทางแก่ผู้หลงทางบ้างนี่ก็กเปิดเผยลกักษณะหนึ่ง แล้วก็ในปริณิพานสูตรท่านใช้ข้อเปรียบเทียบว่าไม่มีกรรมมือของอาจารย์นะคือไม่ได้สังวนความรู้อะไรไว้แบมืออย่างทั้งเห็นหมดเลยว่าในมือนั้นมีอะไรจึงพูดไปว่าไม่มีกรรมมือของอาจารย์อีกแล้วเป็นคงจะเป็นบุหานที่ราึิงกันของคนรุ่นนั้น ถ้าเราฟังตรงนี้แล้วไม่นึกเป็นวหารคงตีความไม่ออกเลยนะไม่มีกำมื อ, อาจาย์พระพุทธเจ้ามือขาดไดงไงกิดไปโน่นนลแล้วก็จำแนกคำว่าจำแนกข้อนี้เป็นการกล่าวถึงการแสดงธรรมเหล่านั้นด้วยการแยกข้อแยกประเภทแยกแงม่มุมแล้วก็ถือว่าตรงนี้นะเป็นลักษณะเด่นของพระพุทธเจ้าอันหนึ่ง จึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นวิปัจจวาทีคือเวลาแสดงอะไรเนี่ยแยกแยะพูดไม่พูดเหมาโหลเหมารวมทั้งหมด เ, เราได้ประโยชน์จากคำว่าวิพัตวาทีเนี่ยมากควรจะต้องตร้งให้เป็นนิสัยคือแยกเชื่อแยกเข้าใจดีไม่ดีพวกนี้จะทำให้ไม่เกิดข้อขัดข้องแล้วก็การแสดงธรรมก็เหมือนกันก็ต้องแยกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง เมื่อวานยังติดปัญหาคนมาขอถามเรื่องมีการสัมมนาอะไรกันในที่หนึ่งสถาบันรวมศึกษาแล้วก็ถามว่าเรื่องหลวงพ่อคูณเนี่ยว่าไงไงถึงก็บางคนไปเรียกท่านหลวงตาคูณคนนี้ก็ยังแม้ให้เกียรติมากกว่าทุกคนนะหลวงพ่ อ, อคูณสร้างวัตถุมาอาให้คนเอาเงินเอาทองไปทำบุญเนี่ยมันเอี่จะให้เข้าใจกันว่ายังไงกันอะไรเงี้ยนะะแล้วก็มาถามความเห็น ผมก็บอกเรื่องนี้ต้องแยกแยะพูดนานพูดเดี๋ยวเดี๋ยวจบนะไม่ได้ต้องแยกเป็นส่วนๆไปทีนี้บางทีคุยๆกันแล้วพวกจ้องจะให้เป็นผิดก็กไม่เอาท่านเลยพวกจ้องจะให้เป็นถูกก็ให้จะให้ถูกไปหมดเลยเนี่นะไม่ได้คิดว่าส่วนใดยังไงแล้วมาชั่งน้ําหนักว่ามันได้เอามากใดน้อยยังไงอะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าเราคิดนี่เราต้องคิดเป็นต่างๆแล้วก็ เอาพุท ธ, ธจริยาคือการประพฤติของพระเจ้าเป็นหลักเอาคําสอนเอาธรรมวินยัยเป็นหลักพิจารณาโดยความเป็นกุศลก็เราก็จะไม่ขาดข้องอะไรทั้งสิน้นและชั่งน้ำหนักแล้วก็เป็นข้อที่เราต้องอนุโมทนาสาทุกการเป็นอย่างสูงส่งในส่วนที่จะต้องอนุโมทนาเพราะว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยคนบางทีพูดๆแล้วก็ลืมนึกไว้อย่าง วัตถุกรรมเนี่ยมันมีโทษทางนั้นน่ะใช่ไหมธรร ม, มะเนี่ยออกมาเป็นลูกของวัตถุกรรมก็มีโทษมาอย่างไม่ว่าจะประชาที่ปไตยไม่ว่าอะไรที่เขาว่าดีพิเศษเนี่ยมันก็มีโทษนะบางทีก็ลืมคิดมันแบบเดียวกันเลยพระพุทธรูปนี่จริงๆก็เป็นวัตถุกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับทางศาสนามก็มีคุณมีโทษจึงไม่ได้ผิดที่อ่าตรงอ่าตรงที่เนื้อ ว, วัตถุ แต่ว่ามันอยู่ที่กรณีอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องัอนนี้อันนี้เป็ น, ปนส่วนหลักส่วนความคิดส่วนหนึ่งท่านนั้นนะอ่าคราวนี้ก็มาว่าถึงว่าท่านจงดูอันนี้ก็ว่าแล้วนะครับเป็นอันว่าทรงกล่าวอ้อมันมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าทำให้ตืน่นเกือบจะข้ามไปถามว่าธรรมะคือปฏิจจเนี่ยเป็นของลึกหรือของตืน ลึกแค่แม้เป็นของลึกและการทําธรรมะให้ตื่นเนี่ยมันหมายความว่าไปเอาธรรมะนั้นมาของเรื่องลึ ก, ลกมา ท, า, าทำให้ตื่นหรือว่าทําให้ตื่นโดยการทําให้เกิดความเข้าใจได้ท่าน น, นี่คือการเรียกว่าทําให้ตื่นคืออย่างนี้มันเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่แล้วถ้าสมมุติว่าถอยไปสักห้าสิบปีถ้าผมจะต้องมาพูดที่นี่ ผมต้องมาตั้งแต่เมื่อวันซื้นะแล้วก็แจวเรือมาี้อ่างแหลมมาเรื่อยแล้วถึงจะได้พูดใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วชั่วโมงเดียวถึงวันอาทิตย์หรือชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ยังหวังมันนะมันก็เร็วมากรถทลลาําล่นระยะทางพูดเป็นสั้งตนพูดว่างี้แต่ถามว่าระยะทางตรงนี้กับอบ้านของเราเนี่ย มันย่นจริงๆครับเปล่ามันไม่ได้ย่นนะครับวันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นลึกอยู่ยังไงก็ลึกอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าใช้ความสามารถทางการสอนเนี่ยทำให้คนเข้าใจได้คือว่าทำให้ตื่นทีนี้ไอ้ลมตรงนี้น่จริงๆอยากจะพูดซะเยอะเลยค่ะก็จะลองดูนะเผื่อเวลามันจะไม่ทันก็ ก็น่าที่ใดท่ายังไม่ได้พูดคือเวลาเราชมเฉยว่าแหมคนนี้พูดเข้าใจง่ายเนี่ยมันแปลว่าเราชมอย่างที่รู้จักสการวะธรรมให้ตื่นแล้วก็ใครที่พูดเข้าใจง่ายบางทีเราก็ชื่นชมแล้วมันผิดก็มีฮะอย่างสมมติว่าผมจะพูดเรื่องมรรคเรื่องผลให้เข้าใจง่ายแบบไปทำธรรมมาจะให้ตื่นเขินนะไม่ใช่ผมพูดตื่นทำมาอยู่อย่างเก่าแล้วผมพูดให้เข้าใจได้อย่าง เหมือนตื่นตื่นนะฮะแต่ผมไปปรับธรรมะซะให้ตื่นบอกโอ๊ยนี่มรรคผลนิพพานคุณไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่กับบ้านนั่นแหละจะทำอะไรก็ทำไปเลยเคยทำอะไรก็ทำไปเลยเพราะนิพพานมันอยู่ที่นั่นที่นี่คุณเลี้ยงหมูนิพพานมันก็อยู่ที่กระเพาะหมูอยู่ที่หมูนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะทานาก็เอานิพพานในขี่ไถ่ให้ได้อย่างเงี้ย โอ้โหถ้าเรานึกอูกแ๊แหม่คนนี้ก็พูดตื่นอย่างเลยเราฟังพระเทศน์นิพานอะไรก็ไม่รู้คนนี้พูดไม่เคยดีมาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆอย่างนี้แเ้าก็เรียกไปทําทําของลึกให้ตื่นแบบผิดแล้วจริงๆมันทําไม่ได้ต้องทําทำมาเป็นของลึกใครจะไปทําให้ตื่นละนิพานนะใช่ไหมถ้าลึกอย่างนิพานก็เป็นไอ้ที่เราทําได้คือทํา อความสามารถเราประกับใจเขาเนี่ยให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยว่ากรณีของคนที่ได้ฟังธรรมะลึกแล้วเข้าใจโดยที่ผู้แสดงเนี่ยไม่ไม่ต้องไปปรับระดับธรรมะเรื่องหักเหธรรมะให้ผิดเคลื่อนจากที่เนี่ยนะฮะถามว่าคนฟังธรรมะลึกเข้าใจแล้วเขามีความรู้สึกว่าธรรมะนั้นตื่นจังหน้าดูถูก หรือธรรมะลึกเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าธรรมะนั้นลึกซึ่งเห็นใจคนอื่นที่เข้าใจยากตราบซึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ทาให้เราเข้าใจได้แต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้คิดว่าธรรมะเป็นของตื่นใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ละกันถ้าสมมตว่าท่านเข้าถึงธรรมะอะไรสักอย่างที่เมื่อก่อนท่านไม่้าใจ หรือเข้าใจไหมคงแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเออมันลึกอย่างนั้นท่านนึกลำพองใจโอ้ธรรมะตื่นนิดเดียวพอโถคิดอย่างนันหรือเปล่าไม่คิดพระอหรหันต์ตั้งวงคุยกันทัน้งโอ้ตื่นจริงจริงนี่ผ่านนี่ทำไมจาบ้านเขาว่าลึกนะื้อาว่าตื่นนิดเดียว ท่านกลับไม่คิดอย่างนั้นกลับคิดเห็นใจเข้าใจคนเออมันเรื่องลึกซึ้งไม่งั้นพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสั้นู้ทำแล้วเนี่ยไม่ปลารบหรอกว่าธรรมนี้ลึกซึ้งนะฮะเป็นอนุเป็นสุขขุมเป็นคำภีรภาพมันมีโวหารเรียกแหละทีนี้ไอคำว่าลึกซึ้งลึกซึ้งเนี่ยบางทีมันก็อย่างนี้อีกครับผมก็เจอมาคือ ที่บอกวันลึกเพราะตัวเองเข้าใจไม่ได้อธิบายไม่ได้ก็นีเลยบอกวันลึกไว้ก่อนมีมีเรื่องเถียงกันบนเครื่องบินกับชาวมหายานครับแล้วก็มีพวกเราคนหนึ่งเพราะอ้างเป็นมายานได้เขาคุยกันพอถามอะไรตอเนี่ยเขาเขาผมรู้ว่าเขาสับสนเขาไม่เข้าใจอะไรหรอกเราก็อยากจะคุย<แ>อยากได้ความรู้นะ แต่แล้วพอถามซักอะไรบางก้อนจริงล้วก็ซักอย่างอย่างสุภาพบุรุษนะไม่ได้ไปลูกหลานเขาบอกโอ้ยไม่เข้าใจแล้วมันลึกมากมาไอเสียละวาดมันเข้าใจแล้ว <c oughs> เขาพูดอย่างนี้นะมันลึกมากไออะไรพอตอบไม่ได้มันลึกมากทีนี้พวกที่เขาไปด้วเอ๊นมันดูถูกปรญภูมัญญาแล้วนี่เข้าชักโมโห่ะ ดูถูกภูมายาอธิบายไม่ได้ตัวไม่เข้าใจก็หาว่าลึก <c oughs> ก็เลยพูดรักษาหน้าไปก่อนลึกมากแม้มันลึกซึ้งมากพูดคุณก็ไม่เข้าใจแล้วออย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็แสดงว่าคนนั้นไม่ได้เข้าถึงความลึกซึ้งจริงแล้วก็บางทีมันมีอย่างนี้ไอ้ของตื้นๆไปพูดให้ลึกพูดได้นะแต่ไปพูดให้ลึกแล้วคนก็หลงประเด็นนะ่ะ หลงประเด็นมีหลายกรณีเลยผมยกตัวอย่างว่าคนอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เคยยกตัวอย่างคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยเนื้อหามันอย่างเก่าชัดๆใช่ไหมฮะคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่เราหูผึ่งโอ้โหคนเหมือนกันไม่เคยได้ยินคำนี้มื่อแอบพูดได้ลึกซึ้งควาจริงคําพูดมันยักเยิงอั่นเองเนื้อหาแล้วมันอย่างเก่าเรารู้อยู่แล้ว ว่าคนนะไม่เหมือนเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคุณก็คนผมก็คนแต่ไม่เหมือนกันสักอย่างในส่วนที่เราเห็นเห็นต่างกันเนี่ยนะฉะนั้ น, ะ อ, น, นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เดลทีสมัยก่อนชอบใช้แล้วคนก็ไปหลงประเด็นติดไปคําโบหารวิธีการก็เลยเห็นเป็นเรื่องลึกไปเลยไปสัทธาเรื่องสาอย่างพวกอมาราวิเกปิกะวาตางยี้เป็นต้นพวกปลาไหลลื่นใช้คําพูดดีๆเพื่อจูงใจคน เราก็มาดูโดยลำดับต่อไปพ่าผู้มีโรภาคได้ทรงตรัสถึงด้วยอำนาจของอวิชชาอธันโทะชาติที่เป็นเหตุให้เกิดจารามนตะแล้วก็ทรงยกปัจจัยตัวอื่นขึ้นมาเป็นเหตุ โยงไปหาผลยกตัวอื่นอีกขึ้นมาเป็นเหตุโยงไปหาผลโดยลําดับจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาในประเด็นที่สี่ก็ตรัสในทํานองเดียวกันว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสัาคตเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามไม่เสด็จเสด็จหรือไม่เสด็จขึ้นก็ตามเนี่ยธาตุอันนั้นธรอัติติอันนั้นทำนิยามอั น, นั้นทำอิทับปัจจัยก็ยังคงดารงอยู่ กตฐาคตย่อมตัดสรู้ั่วถึงธาตุอนนั้นทันแล้วย่อมตรัสบอกย่อมแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกก็ทำให้ตื่นและตรัสว่าท่า น, ท, านท่านหลายจงดูดังนี้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารคือการที่ทรงตรัสทีละคู่อย่างช้าๆนะแล้วก็อย่าง เหมือนซ้ำๆเนี่ยเราเคยมีคนบ่นลำคาญแล้วก็เคยมีคนบน่นให้เหตุผลเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีแต่ว่าเหตุผลอันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างนี้เพื่อผลในการปฏิบัติแบบเฉียบพลันด้วยและการปฏิบัติธรรมกับการกำหนดซ้ำๆเนี่ยมันเป็นของถูกถูกสล ก, กัน เป็นกําหนดลมหายใจซ้ําๆไอ้อย่างนี้ในทางปริยัติแล้วไม่นานก็เบื่อใช่ไหมไม่นานก็เบื่อไม่นานก็จําได้จําได้ขึ้นใจก็มันก็ถึงที่สุดแห่งปริยัติของการเรียนรู้แต่ปฏิบัติเนี่ยพูดซ้ําๆทีละส่วนละเอียดเท่าไหร่นะแล้วก็ตั้งหลัก ที่จะให้ท่านผู้ปฏิบัติเน่นน้อมใจไปสู่จุดนั้นบ่อยๆเช่นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยยกขึ้นมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้านเราเรียนบริยัติเนี่ยเราไม่ไม่นึกว่ามันอยู่ไหนรูปใช่ไหมเราก็ฟังเอาหลักบางทีเลยลืมของจริงไปไม่ได้นึกข้างในเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง พอพูดอย่างเนี้ยพระทุกองค์จะนึกถึงเวทนากําลังมีเวทนาอะไรอยู่ก็ดูทันทีเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้แล้วยังบรรยากาศในป่าในความพร้อมของพระที่มีพื้นฐานในะอะไรอยู่แล้วเนี่ยฟังแล้วก็ใจก็น้อมดิ่งลงไปพูดอะไรพูดอันไหนเห็นอันนั้นนะพูดง่าพูดอันไหนเห็นอันนั้นเหมือนอย่างกับของที่ปรากฏในแว่นเลย ก็จึงไม่น่าเบื่อแล้วมันไม่ใช่เรื่องควรเบื่อได้นอกจากไม่ควรเบื่อยังเป็นตรงกันข้ามด้วยซ้ำโดยต่อไปนะได้ทรงตรัสข้อความหนึ่งที่จะต้องอธิบายที่ลงไปคือตรัสว่าพิสูจทั้งหลายความจริงแท้ที่เรียกว่าตัดฐาตา อคําว่าตาทาที่แปลว่าอย่างนั้นตาคือความเป็นอย่างนั้นโดยอัดหมายถึงความจริงและคํานี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตาคตผู้ไปแล้วอย่างนั้นคือไปแล้วตามความจริงอย่างนั้นไปแล้วด้วยเนื้อหาสาระของสัจจะอย่างนั้นก็ได้ไปคําว่าอย่างนั้นอย่างนั้นฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าจะลอยๆไปหน่อยนะ แต่ถ้าเอาความออกมาตัดถาที่อย่างนั้นก็คือความจริงอะไรไม่มีความจริงคือไม่ใช่อย่างนั้ น, นแล้วก็จริงขั้นสภาวะด้วยนะความไม่คลาดเคลื่อนอันนี้ไม่ใช่ปฏิเสธอนิจังหรือวิปริณามธรรมาไม่คลาดเคลื่อนนึงหมายถึงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่คลาดเคลื่อนเป็นเที่ยงสิ่งใดเที่ยง ก็เที่ยงอย่างนั้นไม่คลาดเคลื่อนเป็นไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผ่านเที่ยงนี้เป็นตน้นก็ไม่คลาดเคลื่อนวัตตาไม่เที่ยงก็ไม่คลาดเคลื่อนเป็นเที่ยงเรียกว่าอาวิฏฐตาๆๆแล้วก็ความไม่เป็นอย่างอื่นอนัญญาถาตา ไม่เป็นคือไม่ผิดไปจากนั้นเป็นการกล่าวยำ้ำมูลเหตุอันแน่นอนในธรรมธาตุอันนั้นดังพันานามาชนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอ่นี่ก็เป็นการสุดท้ายในทรงย้ำว่านี่คือของจริงไม่ไม่เป็นอย่างอื่นอีกแล้วนะอะ่เมื่อกล่าวโดยตัวสภาวะก็พูดว่าอ่ต า, าตาต า, า, าตาอวิจตาตาอันันยะตตา แต่ถ้าพูดถึง อ, อำนาจของญาณก็เป็นยะถาภูตายไ ป, ไปอย่างที่เราเห็นคำข้างล่างถ้าพูดเรือำหน้าของเทศนาพระพุทธเจ้าจะทรงถูกเรียกหรือเรียกพระองค์ว่าเป็นตถาวาทีตถาวาทีคือผู้มีคำพูดเป็นจริงอานาะอวิกตาวิคตาวาที พโรเอ า, เอาวิตถาวาทีเป็นผู้มีคำพูดไม่เป็นอย่างอื่นอา น, นันยถาวาทีเป็นผู้มีคำพูดไม่ไม่คลาดเคลื่อนเป็นอื่นให้คำแปลในบางทีก็สับสนกันนิดหน่อยนะที่อื่ น, นที่แปลในคำแปลที่เห็นนี่สับกันสับคำกันแต่เนื่งองจากว่าบาลีเนี่ยมันก็อาจจะแปลได้เป็นสองอย่างแล้วก็วิชวาทีวิพัฒชวาที ผู้มีคำกล่าวแยกแยะหรือคำกล่าวจำแนกอันนี้ก็เป็นเป็นคำพูดเป็นลักษณะของการพูดความจริงของพระพุทธเจา้ากล่าวด้วยอำนาจของการพูดความจริงทวิวิพัจชวาทีก็เป็นวิธีการสแสดงความจริงแล้วก็การกา ร, การละเทสะในการสแสดงความจริงด้วยกว็เป็นการละวาทีบ้างต่อไปปฏิจจสมุปป น, นธรรม ตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปันธธรรมเป็นชไหนชาติาโทษอะชารามรณะนี่จะเห็นว่ากล่าวด้วยอำนาจผลเป็นของไม่เทียงอันนี้จังอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปันธงมีความสิ้นไปเสื่อมไป ที่ใช้คําว่าขยะทำมังวยะทำมังคลายไปดับไปนิโรธาทำมังนี่เป็นธรรมดาออตรงนี้นะคําว่าขยะคําว่าวยะคําว่านิโรธะนั้นหมายถึงขันหนะนิโรธไม่ได้หมายถึงอั จ, จันตานิโรธหมายถึงการดับกิเลสดับในคันธิพานนะตรงนี้เป็นขั้นวิปัสสนา และผมก็อยากจะบอกเสเลยว่าในที่พูดมาในส่วนของปฏิจจสมุปาทธรรมเนี่ยคือยาตะปริญญาย้อนไปหามาวาน ย, ยาตะปริญญากำหนดรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความจริงคือหนึ่งรู้ลักษณะสภาวะสองรู้ลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลจำได้ไหม ดันั้นที่พูดมาในส่วนของประเด็นปฏิจจามุปาธาเนี่ยคือยาตากปริญญาส่วนปฏิจจสมุปปันนธรรมนั้นนี่เห็นอะไรแล้วครับเนื้อหาในนี้เห็นอะไรของชรามรณะเห็นพระไตรลักษณ์ใช่ไหมไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่ากับพูดป ร, ริญญาอะไร บางเอิญเรายังบรรยายไม่ถึงแต่ก็น่าจะตอบได้บางตีรณะปริญญาถ้ากล่าวโดยยานเนี่ยคือยานที่สามกับสี่แล้วยานสามกับสี่เมื่อกี้ก็ยานสองกับหนึ่งโดยแสดงเน้นอยู่ที่ยานสองแต่อนุโลมลงไปหายานหนึ่งสำหรับตรงนี้ก็ยานสามกับยานสี่ที่ เห็นในจังเริ่มต้นก็เห็นในจังถึงจุดสมบูรณ์ดีนี่แหละครับคือการเจริญวิปัสนาด้วยการกำหนดโดยในของปฏิจจสมุปบาทก็ยังเป็นส่วนหลักๆไปหน่อยอยู่ดีนะไอ้วิธีละเอียดนั้นก็ต้องพูดกันในสูตรอื่นๆโดยลำดับต่อไป เอาละเลยไปเลยนะท่านไล่ตั้งแต่ตระามรณะมาจนกระทั่งถึงอวิชชาแบบเดียวกันหมดพิจารณาเห็นอย่างนี้ทั้งหมดประเด็นสุดท้ายผู้รู้แล้วซึ่งปัจจัยาการสองส่วนและคําว่ารู้แล้วตัวนี้หมายถึงปฏิบัติรู้อย่างนั้นไปจนถึงขั้นมร์เพราะการรู้อย่างนั้นมีสอง ข, ขั้น โลกิยะปริญญาหรือโลกียายานที่ต้องรู้ก่อนแล้วก็รู้ไปจนกระทั่งถึงขั้นบนรรลุมรรคผลมีโสดาเป็นตน้นในสูตรนี้ท่านแสดงโสดาวางไว้เป็นพุทธประสงค์แต่ก็ อ, อนุโลมไปถึงอริยะเบื้องสูงกว่านั้นด้วยสาต์ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกเห็นด้วยดีซึ่งปฏิจจ สมุบาตินี้และปฏิจจสมุปปันนิธรรมเหล่านี้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงคําว่าปัญญาอชอบสมมัิปัญญายะยะถาปูตาคือตามความเป็นจริงคําว่าสุทิฏฐาเนี่ยเป็นคําแปลกสําหรับอย่างเรานะเราจะได้ยินคําว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐาก็คือทิฏฐิสุทิฏฐาแปลว่า เห็นดีตัมมาทิธิแปลว่าเห็นถูกเหมือนกันมอันเดี้ก็เป็นชื่อของพระโสดาบันนั่นเองเป็นผู้ได้ทิฏฐิอันสมบูรณ์แล้วจึงตรัสว่าเมื่อ น, นั้นอริยสาวกจักไม่แล่นเข้าถึงที่สุดแห่งเบื้องต้นว่าอดีตการเราได้เป็นหรือหนออนดีตการเราได้เป็นอะไรหนออนดีตการเราได้เป็นอย่างไรหนออนดีตการ เราได้เป็นอะไรแล้วได้มาเป็นอะไรหนอนี่เป็นเรื่องความสงสัยในชีวิตในอดีตขันในอดีตเพราะปฏิจจานี่ยมันอธิบายถึงกระแสของชีวิตในอดีตได้ผู้ที่รู้ปฏิจจานคือรู้ชีวิตในอดีตและผู้ที่รู้ชีวิตในอดีตอย่างปฏิจจานคือผู้รู้ปฏิจจาเอแล้วก็จะไม่แล่นเข้าถึงที่สุดในเบื้องปลายหมายถึงไม่สงสัยในอนาคต ว่าเราจะเป็นอะไรเราจาะเราเป็นหรือหนอเราจะเป็นอะไรเราจาเป็นอย่างไรอนาคตเนี่ยเราเป็นไรและจะเป็นไรต่อไปและสามไม่สงสัยในปัจจุบันในบัดนี้ก็เราเป็นอยู่หรือสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอเขาจับไปที่ไหนดังนี้ข้อนี้มิใช่าฐานะจะมีได้ก็เหตุอะไรเพราะอาริยสาวกเห็นด้วยดีแล้วซึ่งปฏิจจ สมุบาทและปฏิจจสมุปันธธรรมเหล่านี้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงผมก็เลยไม่มีโอกาสอธิบายตรงนี้นะคอติดติดไว้จังหวะยังมีอีกเยอะบางทีอาจจะใช้บทอธิบายวันเสาร์หน้าแทนกันได้ก็อเอาง่ายๆว่าท่านละความสงสัยได้จากการเห็นปฏิจจสมุบาตที่โยงไปถึงอดีตอนาคตปัจจุบัน อขอเชิญทุกท่านแต่เมตตาคงจะสั้นๆ น, นะครับ